ธรรมชาดกแผ่นที่11ดลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14พฤศจิกายน2557มีชื่อเรื่องว่าอุปนิสัยอุบาสกห้าคนวันนี้เป็นวันที่14 พฤศ จ, จิกายนพุทธศักราช2 5 5 7้อยห้าสิบเจ็ดวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสิบสองวเช้าเราก็ทำกิจกรรมทำบุญทำทานแต่เย็นนี้เราก็ได้มารวมรวมกันร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ ตอนนี้ไปจะได้ฟังหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทันยกรถาหรือ ว, ว่ากล่าวเรื่องราวที่พวกเราควรจะรับรู้รับทราบในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่ตามจริงเรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมีหลายแง่มุม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 ถ้าเราย่นย่อศินรักษากายว่าจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินสมาธิคือตั้งใจมั่นไม่ให้จิตใจบล็อกแวะลวนเลโลกเละให้จิตใจมั่นคงคือชื่อว่าสมาธิปัญญาให้รอบรู้ในกองสังขารให้กลั่นกรองด้วยปัญญาอันนี้คือหลักธรรม แต่เนี้ขยายผลนะตอนนีศีลก็อย่างที่พวกเราได้รับรู้รับทราบอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังส่วนสมาธิก็ทาพยายามทำจิตใจให้มันคงจะเราจะยึดกรร ม, มาฐานไหนมาให้ใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคือสมาธิกำ ม, มาฐานไหนก็ได้พูดให้ฟังว่ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลัก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 ก็เห็นพิจารณาให้ร่างกายเป็นสุภาพติกูลอันนี้ก็คือพิจารณาให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในแนวรูปแนเวทนาเวทนาทางใจเวทนาทางกายเราก็พิจารณาให้รู้เห็นคือเวทนาทางกายและทางทางกายและทางใจถ้าว่าทางกายคืออะไร่างกายกันเนี่ย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 แล้วก็รู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนี่แหละอันนี้คือการพิจารณาทางนามธรรมทางด้านจิตใจหรือนามธรรมแต่รูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือแนวความคิดที่มองไม่เห็นแต่มีความรู้สึกอยู่ น, ะนี่แหละท่านพิจารณาทางด้านปัญญาละมีมากหลากหลายที่เราจะพิจารณาใจของเราไปติดไปข้องเรื่องอะไร ในโรคหรือในเวทนาหรือในสัญญาหรือในสังขารหรือเรื่องวิญญาณนี่แหละอันนี้ก็ต้องพยายามตามคิดคน้นใช้จิตใช้ปัญญาสรุปแล้วก็คือให้มว้วนลงที่เดียวคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาเนี่ยสรุปแล้วก็คื อ, เ, อเมื่อเราพิจารณาทีท่วนแล้วอันไหนก็ไม่เที่ยงอันไหนก็เป็นทุกข์ มันจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรนี่แหละเป็นอนัตตาเนี่ยนี่แหละหลักธรรมคาสอนของตนพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแนะนำสั่งสอนก็ลงในลักษณะอย่างนี้นะสรุปแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาเนีศีลคือรักษากายวาจาสมาธิคือความตั้งใจมั่นจะหนีออกจากกันไม่ได้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาถ้าโรคนไม่มีศีล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 สิ่งเหล่านี้กัเป็นอุปนิสัยเหมือนกันนะถ้าว่าไม่มีอุปนิสัยฟังมันก็ไม่เข้าใจและไม่อยากจะฟังอีกต่างหากเพราะไม่มีอุ ป, อปนิสัยติดพบติดชาติมันติดพบติดชาติมาในทางที่ไม่ดีเสมากกว่าเพราะเราเกิดมาในโลกนี้ก่อนที่จะมาเกิดมาถึงจุดนี้ได้เรามาเกิดมาเป็นอะไรบ้างมากมายหลากหลายในการ เกิดของพวกเราเนี่แหละพระพุทธเจ้า ว, ว่าตุจุตูปะปะตาตยานการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีมากหลากหลายแต่ละคนเนี่ยแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเจเดจพระพุทธองค์เจเดจประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีนะพอบอกพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีเนี่ยเป็นระยะเ ว, เวลายาวนานถึงยี่สิบห้าพระพรรษาไปที่อื่นแล้วกลับมา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 เข้ามาฟังธรรมห้าคนเข้ามาห้าคนพระอานน์เป็นผู้ถวายงานพัดแล้วเข้าอยู่ใกล้พร ะ, พระองค์ที่ดูแลอุปถัมภะถาคคือนั่งนั่งดูแลความต้องการเน้อห่าจะดูพระพทธองค์อย่างไรเพราะอยู่ใกล้ชิดดูดูพระองค์แต่อุบาสกทั้งห้าคนมาฟังธรรมเทศนา ในตอนบ่ายวันนั้นพอนั่งคนหนึ่งก็นั่งหลับคนหนึ่งก็เอามือขีดแผ่นดินขีดเขียนเขียนแผ่นดินคนหนึ่งก็ไปขย่าต้นไม้ขย่าต้นไม้มองดูต้นไม้แต่คนหนึ่งนั่งเมอลอยอยู่มองทอกท้องฟ้า นั่งมองอยู่ท้องฟ้ายังไม่รู้มองอะไรแต่คนหนึ่งนั่งหลับตานิ่งฟังนะอันนี้คื อ, คอพระองค์ก็เห็นว่าคนคนหนึ่งอย่างคนหนึ่งที่ตั้งใจฟังแต่สี่คนไม่ต้องวาดมันไปคนละทิศทางแล้วออถึงอย่างไรมันก็ไม่เข้าใจละ่ะพวกสี่คนเพราะมันไม่ได้ใส่ใจแต่พระองค์ก็พยายามเทศเออสแสดงธรรมะ ให้แก่คนคนี้ที่คนเดียวน่ะที่นั่งฟังตอนนี้พระอ น, นุนอยู่นั่งอยู่ข้างๆเป็นผู้ถวายงานพัดพระอ น, นุก็กราบทูลพระพุทธเจ้าเมื่อแสดงธรรมจบแล้วพระอ น, นุนบอกกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าขาดเนี่ยในอุบาสกทั้งห้าคนในทําไมอากับกิริยาไม่เหมือนกันพระเจ้าขา่ามองๆดูแล้ว อ, อคนหนึ่งก็ทําอย่างหนึ่งคนหนึ่งทําอย่างหนึ่ง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 พระ อ, อ น, นุล์บอกพระพุทธองค์บอกว่ า, าดูก่อน อ, อนนล์ธรรมะของเราเนี่ยไม่ใช่ของฟังได้ง่ายไม่ใช่ว่ า, าพูดเข้าไปแล้วจะเข้าใจทุกคนไม่เป็นอย่างนั้นถ้าผู้ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่มีอุปนิสัยเก่าก่อนเก่าแก่จะไม่เข้าใจในธรรมของเราเพราะนั้นถึงบาสุกเหล่านที่นั่งฟังนี่ก็มีบาสุกคนเดียวนี่ที่เข้าใจนอกนั้นก่อนไม่ได้ผล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 หัวพลาดตัวเองแล้วก็หลับอยู่ตลอดอันนี้คือเป็นนิสัยรพระพุทธองค์ท่านพระอนน์กราบทูลถามว่าเขาเกิดมาติดพบติดชาติอย่างนี้นเลืมั้เหรือว่าเป็นในระหว่างเ ก, เกิดมาเป็นคนบ้างเป็นงูบ้างเป็นแล้วเกิดสลับกันพระธองค์บอกว่าอันนั้นก็มีอยู่ที่มาเกิดเป็นคนแล้วเกิดเป็นงู แล้วก็เกิดเป็นสัตว์แล้วมาเกิดเป็นงูสลับกันไปสลับกันมาแต่ที่ต่อเนื่องกันถึงห้าร้อยชาติก็มีที่อุบาสกเขาเกิดมาเพราะเขาตอนนั้นเขาจึงเป็นจึงมีอุปนิสัยพอนั่งที่ไหลยเขาก็หลับเขายังไม่อิ่มในการหลับของเขาเนี่ะเป็นอุปนิสัยแล้วก็ที่คนที่ขยเยยต้นไม้คนที่เขาเป็นนิสัยลิง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 พามมาก่อนในอดีตชาติเขาเคยเป็นอาจารย์สนอนอพิชชาความรู้ให้กับคู่คนทั้งหลายอาจากนั้นมานี่ยเขาคนเนี้ ย, ยพอได้ยินได้ฟังอันไหนเขาก็จะเปรียบเทียบกับความรู้ของเขาว่าที่ดิพระพุทธองค์พูดเนี่ยตรัสไปนี้เนี่ย เ, เป็นอัดเป็นธรรมไหมถูกต้องไหมออันนี้เขาเปรียบเทียบของเขาอันนี้แหละคนนี้แหละเข้าใจอ เมื่อเราแสดงธรรมจบกลงไปแล้วนะคนนี้ล่ะที่เขาได้สำเร็จพสสระโสดาบันมีคนเดียวนอกนั้น เ, เปล่าประโยชน์แต่ถึงยังไงก็ดีกว่าดีกว่าไม่ได้มาพบมาเจอเช่เลยพระ อ, อ น, นุนก็กราบทูลถามว่าทำไมเขาเหล่านั้นจึงจึงไม่เข้าใจพระองค์บอกว่าดูก่อน อ, อนุนผู้ที่จะมาศึกษาธรรมะ ที่จะเข้าใจธรรมะนั้นนะมันไม่ใช่ของไต้ง่ายง่ายเพราะว่าอุปนิสัยของสรรพสัตว์ทางหลายในโลกเนี่ยเขายังมัวเมาในเรื่องกิเลสราคะาบางัโบงโทสะบั้งโมหะบ้างทั้งตัณหาด้วยกับคู่คนเหล่านั้นกับดวงวิญญาณเหล่านั้นแต่ละคนแต่ละภพแต่ละชาติของเขาเขามัวเมา ในการร้องราำทำเพลงสนุกสานานมันมีมากต่อมากเพราะฉะนั้นที่จะใยใส่ใจในธรรมะเนี่ยเออจะหาทางพ้นทุกข์ให้กับตนเองเนี่ยตั้งใจฝังธรรมะมันไม่ใช่ของง่ายมันเป็นอุปนิสัยเก่าเก่าแก่เป็นนิสัยอุปนิสัยใยในการศึกษาใยในการเรียนรู้ใยในการประพฤติธปฏิบัติมันจึงจะเข้าใจได้ในธรรมะของเราตถาคตเนี่ย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 ไม่ต้องเสียใจเออแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากขนาดต่อหน้าพระพุทธเจ้าเขายังแสดงอากัปกิริยาอย่างนั้นเออเพราะฉะนั้นมาต่อหน้าหลวงพ่ออินเนี่ยให้คนอยู่ในความสงบเงียบตั้งอกตั้งใจฟังศึกษาธรรมะเออด้วยความตั้งใจจริงๆเออย่างนั้นเหรอก็อไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน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 ตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวาพวกเราก็จะเดินสู่มักสู่ผลเข้าสู่มักผลนผลิพพานถ้าว่าไม่พ้นทุกในชาตินี้ก็เป็นอุ ป, อปนิสัยต่อไปภายภาคหน้ า, าได้ฟังธรรมเทศน า, าแล้วก็เดินทางสู่จุดหมายปลายทางเาสียงไหนที่มัน ไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีที่เป็นหายนะข้าพรเจ้าขอให้เห็นโทษในเรื่องนั้นๆแล้วก็ให้เห็นคนุณในคุณงามความดีตลอดไปจนถึงมรรคผลนิพพานทุกเกิดมาพบไรชาติใดก็ให้มุ่งหวังเดินดุ่มไปสู่มรรคผลนิพพานทุกพจทุกทุกภพทุกชาติด้วยเถิดตั้งความปรารถนาในใจอย่างนั้นนะ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 ในเมื่อความตั้งใจมีความมุ่งมั่นด้วยสัจจะความจริงจังและจริงใจคงจะเป็นอุปนิสัยอย่างที่เราได้ยินในประไตรปิฎกอย่างอุบาสกห้าคนอย่างที่ลุงพ่อได้พูดได้กล่าวต่อนนี้ไปก็ฟังธรรมเทศนาอีกสักรันหนึ่งนะเอานั่งสมาธิทีนี่